1. ปัจจยานุโลม 2. สังขยาวานสองร้ยบเกหตุปัจจัยมีสิบเจ็ดวาระอารามณปัจจัยมีเจ็ดวาระอธิปติปัจจัยมีสิบเจ็ดวาระอนันตรปัจจัยมีเจ็ดวาระสมนันตรปัจจัยมีเจ็ดวาระสหชาตปัจจัยมีสิบเจ็ดวาระอัญญมัญญปัจจัยมีเจ็ดวาระ นิสัยปัจจัยมีสิบเจ็ดวาระอุปนิสัยปัจจัยมีเจ็ดวาระปุเรชาตปัจจัยมีเจดวาระอาเสวนปัจจัยมีเจ็ดวาระกามปัจจัยมีสิบเจ็ดวาระวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระอาหารปัจ <cause> จ <mum> ัยมีสิบเจ็ดวาระอินทรียปัจจัยมีสิบเจ็ดวาระชานปัจจัยมีสิบเจ็ดวาระ มัคคปัจจัยมีสิบเจ็ดวาระสำปรยุติปัจจัยมีเจ็ดวาระวิปปยุติปัจจัยมีสิบเจ็ดวาระอติปัจจัยมีสิบเจ็ดวาระนัตถิปัจจัยมีเจ็ดวาระวิคตปัจจัยมีเจ็ดวาระอวิคตปัจจัยมีสิบเจ็ดวาระเหตุทุกกในัยเจ็อารมณปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีเจ็ดวาระ อธิปติปัจจัยกับเพตุปัจจัยมีสิบเจ็ดวาระอนันตระปัจจัยกับเพตุปัจจัยมีเจ็ดวาระสมาันตรปัจจัยกับเพตุปัจจัยมีเจ็ดวาระสหชาตปัจจัยกับเพตุปัจจัยมีสิบเจ็ดวาระละอวิคขตปัจจัยกับเพตุปัจจัยมีสิบเจ็ดวาระติดกนใย อธิปติปัจจัยกับเพตุปั จ, จัยและอารมามณปัจจัยมีเจ็ดวาระในวุงเล็บทุกปัจจัยมีปัจจยและเจ็ดวาระวิปากับปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระอวิคตปัจจัยกับละมีเจ็ดวาระละทวารทศ ก, กัยในวุงเล็บสาเสวนะกรรมมปัจจัยกับเพตุปั จ, จัย อารัมมณปัจจัยอธิปติปัจจัยอนันตระปัจจัยสมานันตรปัจจัยสหชาตปัจจัยอัญญมัญญปัจจัยนิตยปัจจัยอุปนิตยปัจจัยปุเรชาตปัจจัยและอาเสวนปัจจัยมีเจ็ดวาระอาหารปัจจัยกับละมีเจ็ดวาระละอวิขตปัจจัยกับละมีเจ็ดวาระละพาวิสกนัย วิคตปัจจัยกับเหตุปัจจัยอารามณปัจจัยและปุเรชาตปัจจัยอาเสวนปัจจัยกรรมปัจจัยอาหารปัจจัยและวิคตปัจจัยมีเจ็ดวาระเตระสกนัยในมือเล็บสวิปากะอาหารปัจจัยกับเหตุปัจจัยอารามณปัจจัยและปุเรชาตปัจจัยกรรมปัจจัยและวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระละ อวิคตปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระภาวีสกนัยในมุงเรปสวิกปากะอวิคตปัจจัยกับเหตุปัจจัยอารามนาปัจจัยละปุเรชาตาปัจจัยกรร ม, มปัจจัยวิปากปัจจัยอาหารปัจจัยละวิกตปัจจัยมีหนึ่งวาระเหตุมูลกนัยจบ อารามณทุกกนัยเจ็บเอ็เหตุปัจจัยกับอารามณปัจจัยมีเจ็ดวาระอธิปฏิปัจจัยกับอารามณปัจจัยมีเจ็ดวาระละในมือเล็บพึงขยายอารามณมูลกในัยให้พิสดารเหมือนเหตุมูลกนัยอธิปฏิทุกกะไนสองยเจ2เหตุปัจจัยกับอธิปฏิปัจจัยมีสิบเจ็ดวาระละ อน ITT ันตระและสมาันตระทุกกนัย27็สเหตุปัจจัยกับอนันตระปัจจัยเหตุปัจจัยกับสมาันตระปัจจัยมีเจดวาระละทุกกนัยมีสหชาตปัจจัยเป็นต้น274เจ็หตุปัจจัยกับสหชาตปัจจัยละเหตุปัจจัยกับอัญญมัญญปัจจัยเหตุปัจจัยกับนิสัยปัจจัย เหตุปัจจัยกับอุปนิสัยปัจจัยเหตุปัจจัยกับปุเรชาตปัจจัยและเหตุปัจจัยกับอาเสวณปัจจัยมีเจ็ดวาระอารมณปัจจัยกับอาเสวณปัจจัยมีเจ็ดวาระอธิปติปัจจัยกับอาเสวณปัจจัยมีเจ็ดวาระอนันตรัปัจจัยกับอาเสวณปัจจัยมีเจ็ดวาระสมันตรปัจจัยกับอาเสวณปัจจัยมีเจ็ดวาระ สหชาตปัจจัยกับอาเสวนปัจจัยมีเจ็ดวาระอัญญมัญญปัจจัยกับอาเสวนปัจจัยมีเจ็ดวาระนิสยปัจจัยกับอาเสวนปัจจัยมีเจ็ดวาระอุปนิสยปัจจัยกับอาเสวนปัจจัยมีเจ็ดวาระปุเรชาตปัจจัยกับอาเสวนปัจจัยมีเจ็ดวาระกรรมปัจจัยกับอาเสวนปัจจัยมีเจ็ดวาระ อาหารปัจจัยกับอาเสวนปัจจัยมีเจ็ดวาระอินทรียปัจจัยกับอาเสวนปัจจัยมีเจ็ดวาระชาณปัจจัยกับอาเสวนปัจจัยมีเจ็ดวาระมัคคปัจจัยกับอาเสวนปัจจัยมีเจ็ดวาระสัมปยุตตปัจจัยกับอาเสวนปัจจัยมีเจ็ดวาระวิปยุตตาปัจจัยกับอาเสวนปัจจัยมีเจ็ดวาระอธิปัจจัยกับอาเสวนปัจจัยมีเจ็ดวาระ นาทีปัจจัยกับอาเสวนปัจจัยมีเจดวาระวิคตปัจจัยกับอาเสวนปัจจัยมีเจดวาระอวิคตปัจจัยกับอาเสวนปัจจัยมีเจ็ดวาระละกัมมะและวิปากทุกขในสองร้อยเจเหตุปัจจัยกับกรรมปัจจัยละเหตุปัจจัยกับวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระอารามณปัจจัยกับวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระ อธิปติปัจจัยกับวิปากับปัจจัยมีหนึ่งวาระอนันตรับปัจจัยกับวิปากับปัจจัยมีหนึ่งวาระสัมณันตรับปัจใจกับวิปากับปัจจัยมีหนึ่งวาระสหชาตปัจจัยกับวิปากับปัจจัยมีหนึ่งวาระอัญญมัญญากับวิปากับปัจจัยมีหนึ่งวาระนิตยปัจจัยกับวิปากับปัจจัยมีหนึ่งวาระอุปนิตยปัจจัยกับวิปากับปัจจัยมีหนึ่งวาระ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 วิทยุตัดปัจจัยกับวิปากัดปัจจัยมีหนึ่งวาระอธิปัจจัยกับวิปากัดปัจจัยมีหนึ่งวาระนัตถิปัจจัยกับวิปากัดปัจจัยมีหนึ่งวาระวิขตปัจจัยกับวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระอวิขตปัจจัยกับวิปากัดปัจจัยมีหนึ่งวาระละทุกขไนมีอาหารปัจจัยเป็นต้นสองเจ็ิหเหตุปัจจัยกับอาหารปัจจัยละ เหตุปัจจัยกับอินทรียปัจจัยเหตุปัจจัยกับชานะปัจจัยเหตุปัจจัยกับมรรคปัจจัยเหตุปัจจัยกับสัมปยุตตปัจจัยเหตุปัจจัยกับวิปยุตตปัจจัยเหตุปัจจัยกับอัติปัจจัยเหตุปัจจัยกับนัตถิปัจจัยเหตุปัจจัยกับวิกัตปัจจัยละเหตุปัจจัยกับอวิคัตปัจจัยมีสิบเจ็ดวาระ อารามณปัจจัยกับอวิคตปัจจัยมีเจ็ดวาระละวิคตปัจจัยกับอวิคตปัจจัยมีเจ็ดวาระอนุโลมในปัจจยาวานจบ 2. ปัจจยปัจจญาหนึ่วิพังควาลนเหตุปัจจัย277 ส, ส, สภาวธรรมที่เป็นอกุศล ทำสภาวธรรมที่เป็นอกุศลให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะนะเหตุตุปัจจัยได้แก่โมหะที่ถรคตด้วยวิจิกิจฉาและที่ถรคตด้วยอุทธัจจะทำขันที่ถรคตด้วยวิจิกิจฉาและที่ทรคตด้วยอุทธัจจะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นสภาวธรรมที่เป็นอัพยกริษทำสภาวธรรมที่เป็นอัพยกริษให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะนเหตุตุปัจจัยได้แก่ขันธ์สาม และจิตตสมุทฐานรูปทำขันหนึ่งที่เป็นอหตตกะซึ่งเป็นอพยากตวิบาก、และอภยากตกิริยาให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นละขันสองและจิตตสมุทฐานรูปทำขันสองให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะที่เป็นอหตตกะขันสและกตตารูปทำขันหนึ่งที่เป็นอพยากตวิบากให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นละ ขันสองและกัตตารูปทำขันสองให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นหัไทยวัตถุทำขันให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นขันทำหัไทยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นมหาภูตรูปสามทำมหาภูตรูปหนึ่งให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นละจิตตจมุทฐานารูปและกัตตารูปที่เป็นอุปาทายรูปทำมหาภูตรูปให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้น ที่เป็นภายนอกที่มีอาหารเป็นสมุทฐานที่มีอยูตุเป็นสมุทฐานสำหรับปราวาจารย์ยัตรพรม ม, มหาภูตารูปสามทำมหาภูตรูปหนึ่งให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นและกะตตารูปที่เป็นอุปาทายรูปทำมหาภูตรูปให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นจักคูวิญญาณทำจักขายตนะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นและ กายวิญญาทำกายายตนะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นขันธ์ที่เป็นอเหตุกะซึ่งเป็นอภยากตาวิบากและอภยากตากิริยาทำหะไทยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นสภาวธรรมที่เป็นอกุศลรมสภาวธรรมที่เป็นอภยากฤตให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะอเหตุุปัจจัยได้กแก่โมหะที่ทรคตด้วยวิจิกิจฉาและที่ทรคตด้วยอุทัจจะ ทำหัยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นสภาวธรรมที่เป็นอกุศลทำสภาวธรรมที่เป็นอกุศลและที่เป็นอัพยากฤตให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะในเหตุปัจจัยได้แก่โมหะที่ต่อรคด้วยวิจิกิจฉาและที่ต่อรคด้วยอุทจจะทำขันธ์ที่ต่อรคด้วยวิจิกิจฉาและที่ต่อรคด้วยอุทัจจะและหัตถ์วัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้น นารามณปัจจัยสองสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตทําสภาวธรรมที่เป็นกุศลให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะนารามณปัจจัยได้แก่จิตตสมุทฐานรูปทําขันธ์ที่เป็นกุศลให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นในมุงเล็บพึงขยายพิตรรา์เหมือนนารามณปัจจัยในปฏิจจวาลนอธิปฏิปัจจัยเจ็ สภาวธรรมที่เป็นกุศลทำสภาวธรรมที่เป็นกุศลให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะณนะอธิปติปัจจัยได้แก่ทำขันหนึ่งที่เป็นกุศลมีสามวาระทำสภาวธรรมที่เป็นอกุศลมีสามวาระทำสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิและปฏิสนธิขณะละพึงเพิ่มอัพยากรตาบทให้บริบูรณ์ ที่เป็นภายนอกที่มีอาหารเป็นสมุทฐานที่มีอุตุเป็นสมุทฐานสําหรับปล่าอัญญระตยพรมมาทำ ม, มหาปูตารูปหนึ่งละจักคูวิญญาณทำจักขายตนะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นละกายวิญญาณทํากายายตนะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นขันที่เป็นอภพยากตวิบากและที่เป็นอภพยากตากิริยาทําหทัยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้น สภาวธรรมที่เป็นกุศลธรรมสภาวธรรมที่เป็นอัพยากริให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะณนะอธิปติปัจจัยได้แก่ขันธ์ที่เป็นกุศลธรรมหทัยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นและในวงเล็บพึงนับเหมือนสหาชาติปัจจัยในอนุโลมณนะอนันตระปัจจัยเป็นต้นสองสภาวธรรมที่เป็นอัพยากริ ทำสภาวธรรมที่เป็นกุศลให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะณอนันตรปัจจัยเพราะณสมานันตรปัจจัยเพราะณอัญญมัญญปัจจัยเพราะณอุปนิเตยปัจจัยเพราะณปุเรชาตปัจจัยในวงเล็บพึงกยายพิจาราาเหมือนในปฏิจจวานณนะปัจฉาชาตปัจจัยเป็นต้นสองปสิบเอ็ดสภาวธรรมที่เป็นกุศล ทำสภาวธรรมที่เป็นกุศลให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นพระนปัจฉาชาตปัจจัยพระนะอาเสวณปัจจัยละทำจะขายะตนะละในวงเล็บนปัจฉาชาตปัจจัยและณอาเสวณปัจจัยบริบูรณ์แล้วมีสิบเจ็ดวาระในวงเล็บพึงขยายพิจารณาเหมือนสหชาตปัจจัยในอนุโลมนกะกรรมมปัจจัย 282สภาวธรรมที่เป็นกุศลทำสภาวธรรมที et, ่เป็นกุศลให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะนกรรมปัจจัยได้แก่เจตนาที่เป็นกุศลทำขันที่เป็นกุศลให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นสภาวธรรมที่เป็นอกุศลทำสภาวธรรมที่เป็นอกุศลให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะนกรรมปัจจัยได้แก่เจตนาที่เป็นอกุศลทำขันที่เป็นอกุศลให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้น S.> สภาวธรรมที่เป็นอัพยากริตทำสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิตให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะนักกรรมมาปัจจัยได้แก่เจตนาที่เป็นอัพยาคตกิริยาทำขันที่เป็นอัพยากตกิริยาให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นที่เป็นภายนอกที่มีอาหารเป็นสมุทฐานทรมหาภูตรูปหนึ่งที่มีอุตุเป็นสมุทฐานละอุปาตายรูป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 ให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะนกรรมมปัจจัยได้แก่เจตนาที่เป็นอกุศลทาขันที่เป็นอกุศลและทำหทัยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นนวิปากับปัจจัย 2.83 สภาวธรรมที่เป็นกุศลทมสภาวธรรมที่เป็นกุศลให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะนวิปากับปัจจัยทำขันหนึ่งที่เป็นกุศลมีสามวาระ ทำสภาวธรรมที่เป็นอกุศลมีสามวาระสภาวธรรมที่เป็นอัพยากริตทำสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิตให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะนวิปากับปัจจัยได้แก่ขันธ์สามและจิตตสมุทฐานรูปทำขันธ์หนึ่งที่เป็นอัพยาคตกริยาให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นละขันธ์สองและจิตตสมุทฐานรูปทำขันธ์สองให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้น มหาภูตรูปสามทำมหาภูตรูปหนึ่งให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นและจิตตสมุทฐานารูปที่เป็นอุปาทายรูปรำมหาภูตรูปให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นที่เป็นภายนอกที่มีอาหารเป็นสมุทฐานที่มีอุตุเป็นสมุทฐานสำหรับเราสัญญสัตย์พรม ม, มหาภูตรูปสามรำมหาภูตรูปหนึ่งให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นและ กะตะตารูปที่เป็นอุปาทายรูปทำมหาภูตรูปให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นขันที่เป็นอัพยากะตะกิริย า, าธรรหทัยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นสภาวธรรมที่เป็นกุศลทำสภาวธรรมที่เป็นอัพยกฤะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้น ص ص เพราะนาวิปากับปัจจัยได้แกข่ขันที่เป็นกุศลทำหทัยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นในวงเล็บเว้นวิปากับปัจจัยทุกกับ ปัจจัยพึงขยายให้พิศดารณนะอาหารปัจจัยเป็นต้น284สภาบธรรมที่เป็นอัพยากฤตทําสภาบธรรมที่เป็นอัพยากฤิให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะณนะอาหารปัจจัยเพราะณนะอินทรีย์ปัจจัยเพราะณนฉะานปัจจัยละจักคูวิญ ญ, ญาณทําจักขายญาณให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นละกายวิญ ญ, ญาณ ทำกายายตนะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นในวงเล็บนี้เป็นความต่างกันในชานะปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตทธ์ำสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตทธให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะนามข้าปัจจัยได้แก่จะกูวิญญาณทำจกขายตนะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นละกายวิญญาณทำกายายตนะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นขันธ์ที่เป็นอเหตุกะซึ่งเป็นอัพยากตวิบาก และอัพยากะตะกิริยาธรรม้ทายวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นในมุงเล็บนี้เป็นความต่างกันในนามัคคปัจจัยในมุงเล็บที่เหลือพึงขยายพิจารณาเหมือนปัจจน i y a ในปฏิจจวาล น, นาสสามประยุตตปัจจัยเป็นต้นสองปดเพราะนาสสามปยุตตปัจจัยเพราะนาวิประยุตตปัจจัยเพราะโนนติปัจจัย สภาวธรรมที่เป็นอัพยกฤตทําสภาวธรรมที่เป็นกุศลให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะโนวิกะตะปัจจัยได้แก่จิตตสมุทฐานารูปทําขันที่เป็นกุศลให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นในมุเรพพึงขยายให้พิตรดาเหมือนในปฏิจจวาล 2. ป, ปัจจยะปัจจเนยะสสังขยาวานสองอ 16, นัเหตุปัจจัยมีสีวาระ นอารามณปัจจัยมีห้าวาระนอธิปติปัจจัยมีสิบเจ็ดวาระนอนันตรปัจจัยมีห้าวาระนสมนันตรปัจจัยมีห้าวาระนอัญญมัญญปัจจัยมีห้าวาระนอุปนิสตยปัจจัยมีห้าวาระนปุเรชาตปัจจัยมีเจ็ดวาระนัปัชชาตปัจจัยมีสิบเจ็ดวาระนอาเสวนปัจจัยมีสิบเจ็ดวาระ นักกรมปัจจัยมีเจ็ดวาระนวิปากปัจจัยมีสิบเจ็ดวาระนอาหารปัจจัยมีหนึ่งวาระนอินทรียปัจจัยมีหนึ่งวาระนัชานปัจจัยมีหนึ่งวาระนมรคปัจจัยมีหนึ่งวาระนัสามปยุตตปัจจัยมีห้าวาระนวิปยุตตปัจจัยมีสามวาระโนนัตถิปัจจัยมีห้าวาระโนวิกขตปัจจัยมีห้าวาระ นาเหตุทุกขนัยแปดนาอารามณปัจจัยกับนาเหตุุปัจจัยมีหนึ่งวาระนาอธิปติปัจจัยกับนาเหตุปัจใจมีสี่วาระนาอนันตรปัจจัยกับนาเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระนาสมนันตรัปัจจัยกับนาเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระนาอัญญามัญญะปัจจัยกับนาเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระ นอุปนิเตยปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระนปุเรชาตปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีสองวาระนปัจฉาชาตปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีสี่วาระนอาเสวนปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีสี่วาระนกรรมปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระนวิปากปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีสี่วาระ นัอาหารปัจจัยกับนัเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระนัอินตรียปัจจัยกับนัเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระนัชาณปัจจัยกับนัเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระนัมัคคปัจจัยกับนัเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระนัสามปยุตตะปัจจัยกับนัเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระนัวิปยุตตะปัจจัยกับนัเหตุปัจจัยมีสองวาระโนนัธิปัจจัยกับนัเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระ นวิกตปัจจัยกับนเหตุุปัจจัยมีหนึ่งวาระติดกันในณอธิปติปัจจัยกับนเหตุปัจจัยและณอารมณปัจจัยมีหนึ่งวาระณอนันตรปัจจัยกับนเหตุตุปัจจัยและณอารมณปัจจัยมีหนึ่งวาระนสมนันตรปัจจัยกับนเหตุตุปัจจัยและณอารมณปัจจัยมีหนึ่งวาระในมึงเล็บทุกปัจจัยมีปัจจัยละหนึ่งวาระ โนนัตถิปัจจัยกับนเหตุปัจจัยและนอารามานปัจจัยมีหนึ่งวาระโนวิขตัปัจจัยกับนเหตุปัจจัยและนอารามานปัจจัยมีหนึ่งวาระละนอารามานทุกขนัยแ8ดนเหตุปัจจัยกับนอารามานปัจจัยมีหนึ่งวาระนอธิปติปัจจัยกับนอารามานปัจจัยมีหวาระ ณอนันตรปัจจัยกับณอารามณปัจจัยมีห้าวาระณสมานันตรปัจจัยกับณอารามณปัจจัยมีห้าวาระณอัญญมัญญาปัจจัยกับณอารามณปัจจัยมีห้าวาระณอุปนิสตยปัจจัยกับณอารามณปัจจัยมีห้าวาระณปุเรชาตปัจจัยกับณอารามณปัจจัยมีห้าวาระณปัจฉาชาตปัจจัยกับณอารามณปัจจัยมีห้าวาระ ณอาเสวนปัจจัยกับณอารามนาปัจจัยมีหวาระณกรรมปัจจัยกับณอารามนาปัจจัยมีหนึ่งวาระณวิปากปัจจัยกับณอารามนาปัจจัยมีหวาระณอาหารปัจจัยกับณอารามนาปัจจัยมีหนึ่งวาระณอินทรียปัจจัยกับณอารามนาปัจจัยมีหนึ่งวาระณชานะปัจจัยกับณอารามนาปัจจัยมีหนึ่งวาระ นามัคปัจจัยกับนัอารัมณปัจจัยมีหนึ่งวาระนสัมปยุตตาปัจจัยกับนัอารัมณปัจจัยมีหวาระนวิปยุตตาปัจจัยกับนัอารัมณปัจจัยมีหนึ่งวาระโนนัตถิปัจจัยกับนัอารัมณปัจจัยมีหวาระโนวิขตปัจจัยกับนัอารัมณปัจจัยมีหวาระติกนัย ณอธิตติปัจจัยกับณอารามณปัจจัยและณเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระละโนวิกตปัจจัยกับณอารามณปัจจัยและณเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระละณอาทิปติทุกขนสองยแปดสิเหตุปัจจัยกับณอธิปติปัจจัยมีสี่วาระณอารามณปัจจัยกับณอธิปติปัจจัยมี5วาระ ณอนันตรปัจจัยกับณอธิปติปัจจัยมีห้าวาระณสมานันตระปัจจัยกับณอธิปติปัจจัยมีห้าวาระณัญญมัญญยปัจจัยกับณอธิปติปัจจัยมีห้าวาระณอุปนิเตยปัจจัยกับณอธิปติปัจจัยมีห้าวาระณปุเรชาติปัจจัยกับณอธิปติปัจจัยมีเจดวาระณปัจชาชาติปัจจัยกับณอธิปติปัจจัยมีสิเจวาระ นาอาเสว่นปัจจัยกับนาอธิปัติปัจจัยมีสิบเจวาระนากรรมปัจจัยกับนาอธิปัติปัจจัยมีเจวาระนาวิปากปัจจัยกับนาอธิปัติปัจจัยมี17วาระนาอาหารปัจจัยกับนาอธิปัติปัจจัยมีหนึ่งวาระนาอินทรียปัจจัยกับนาอธิปัติปัจจัยมีหนึ่งวาระนาชานาปัจจัยกับนาอธิปัติปัจจัยมีหนึ่งวาระ นัมคะขปัจจัยกับนัอธิปัติปัจจัยมีหนึ่งวาระนัสสมปยุตตาปัจจัยกับนัอธิปัติปัจจัยมีหวาระนวิปยุตตาปัจจัยกับนัอธิปัติปัจจัยมีสวาระโนนัตถิปัจจัยกับนัอธิปัติปัจจัยมีหวาระโนวิขตปัจจัยกับนัอธิปัติปัจจัยมีห้าวาระติกนัยนัอารมณปัจจัยกับนัอธ อธิปฏิปัจจัยและนเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระณอนันตรปัจจัยกับณอธิปัจจัยและน่เหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระนสมนันตรปัจจัยกับณอธิปฏิปัจจัยและนเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระณอัญญมัญญาปัจจัยกับณอธิปฏิปัจจัยและนเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระณอุปนิสติยปัจจัยกับณอธิปฏิปัจจัยและณเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระ ณปุเรชาตปัจจัยกับณอธิปติปัจจัยและณเหตุปัจจัยมีสองวาระณปัจฉาชาตปัจจัยกับณอธิปติปัจจัยและณเหตุปัจจัยมีสี่วาระณอาเสวนปัจจัยกับณอธิปติปัจจัยและณเหตุปัจจัยมีสี่วาระณกรรมปัจจัยกับณอธิปติปัจจัยและณเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระ นวิปากับปัจจัยกับนอธิปฏิปัจจัยและนเหตุปัจจัยมีสี่วาระนอาหารปัจจัยกับนอธิปฏิปัจจัยและนเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระนอินทรีย์ปัจจัยกับนอธิปฏิปัจจัยและนเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระนาชานาปัจจัยกับนอธิปฏิปัจจัยและนาเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระนมะข้าปัจจัยกับนอธิปฏิปัจจัยและนเหตุปปัจจัยมีหนึ่งวาระ นาสัมปยุตตาปัจจัยกับนาอธิปัติปัจจัยและนาเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระนาวิปยุตตาปัจจัยกับนาอธิปัติปัจจัยและนาเหตุุปัจจัยมีสองวาระโนนาทิปัจจัยกับนาอธิปัติปัจจัยและนาเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระโนวิกตปัจจัยกับนาอธิปัติปัจจัยและนาเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระจตุกนัยนาอนันตรปัจจัยกับ ณอติปฏิปัจจัยณเหตุปัจจัยและณอารามณปัจจัยมีหนึ่งวาระในวงเล็บทุกปัจจัยมีปัจจัยละหนึ่งวาระละณอนันตรปัจจัยเป็นต้น290ก้บกับณอนันตรปัจจัยณสมานันตรปัจจัยณอัญมัญญาปัจจัยและณอุปนิเตยปัจจัยในวงเล็บปัจจัยนี้เหมือนกับณอารามณปัจจัย นปุเรชาตทุกขไนสออยเก้าสเนเหตุตุปปัจจัยกับนปุเรชาตปัจจัยมีสองวาระนอารามานปัจจัยกับนปุเรชาตปัจจัยมีห้าวาระนอธิปติปัจจัยกับนปุเรชาตปัจจัยมีเจดวาระนอนันตรปัจจัยกับนภุเรชาตปัจจัยมีห้าวาระนสมนันตรปัจจัยกับนปุเรชาตปัจจัยมีห้าวาระ ณอัญญมัญญปัจจัยกับนปุเรชาตปัจจัยมีห้าวาระณอุปนิตตยปัจจัยกับนปุเรชาตปัจจัยมีห้าวาระณปัจฉาชาตปัจจัยกับนปุเรชาตปัจจัยมีเจดวาระณอาเสวนปัจจัยกับนปุเรชาตปัจจัยมีเจดวาระณกรรมปัจจัยกับนปุเรชาตปัจจัยมีสมวาระ นวิปากับปัจจัยกับนาปุเรชาตปัจจัยมีเจดวาระณอาหารปัจจัยกับนาปุเรชาตปัจจัยมีหนึ่งวาระนอินเตียปัจจัยกับนาปุเรชาตปัจจัยมีหนึ่งวาระณาชานปัจจัยกับนาปุเรชาตปัจจัยมีหนึ่งวาระนมัคคปัจจัยกับนาปุเรชาตปัจจัยมีหนึ่งวาระนาสัมบัตยุตปัจจัยกับนาปุเรชาตปัจจัยมีหวาระ นวิปยุตตาปัจจัยกับนปุเรชาตปัจจัยมีสามวาระโนนัตถิปัจจัยกับนปุเรชาตปัจจัยมีห้าวาระโนวิกตปัจจัยกับนปุเรชาตปัจจัยมีห้าวาระติกนณ์นอารามานปัจจัยกับนปุเรชาตปัจจัยและนาเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระณอธิปติปัจจัยกับนปุเรชาตปัจจัยและนาเหตุปัจจัยมีสองวาระ นาอนันตระปัจจัยกับนปุเรชาตปัจจัยและนาเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระนาสมนันตรปัจจัยกับนปุเรชาตปัจจัยและนาเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระนาอัญญมัญญปัจจัยกับนปุเรชาตปัจจัยและนาเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระนาอุปนิสติยปัจจัยกับนปุเรชาตปัจจัยและนาเหตุปปัจจัยมีหนึ่งวาระ นปัจฉาชาตัปัจจัยกับนปุเรชาตัปัจจัยและนาเหตุปัจจัยมีสองวาระนาอาเสวนปัจจัยกับนปุเรชาตัปัจจัยและนาเหตุปัจจัยมีสองวาระนากรรมปัจจัยกับนปุเรชาตัปัจจัยและนาเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระนาวิปากปัจจัยกับนปุเรชาตัปัจจัยและนาเหตุปัจจัยมีสองวาระ นัอาหารปัจจัยกับนัปุเรชาตปัจจัยและนัเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระนัอินทรียปัจจัยกับนัปุเรชาตปัจจัยและนัเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระนัชาปัจจัยกับนัปุเรชาตปัจจัยและนัเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระนัมขปัจจัยกับนัปุเรชาตปัจจัยและนัเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระ นัตสัมปยุตตาปัจจัยกับนปุเรชาตปัจจัยและนเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระนวิปยุตตาปัจจัยกับนปุเรชาตปัจจัยและนเหตุปัจจัยมีสองวาระโนนติปัจจัยกับนปุเรชาตปัจจัยและนัเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระโนวิกตปัจจัยกับนปุเรชาตปัจจัยและนเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระจะตกกันไห ณอธิปฏิปัจจัยกับณปุเรชาตปัจจใจณเหตุปัจจัยและณอารามณปัจจัยมีหนึ่งวาระในมุงเล็บทุกปัจจัยมีปัจจัยและหนึ่งวาระโนวิกตปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระละณปัจฉาชาตะและณอาเสวนทุกกสอร้อยเก้าสเหตุปัจจัยกับณปัจฉาชาตปัจจัยละ ณอาเทวณปัจใจมีสี่วาระณอารามณปัจจัยกับละมีห้าวาระนณทิปติปัจจัยกับละมีสิบเจ็ดวาระณอนันตรปัจจัยกับละมีห้าวาระณสมนันตรปัจจัยกับละมีห้าวาระณอัญญมัญญปัจจัยกับละมีห้าวาระณอุปนิเตยปัจจัยกับละมีห้าวาระ นปุเรชาตปัจจัยกับละมีเจ็ดวาระนปัจชาชาตปัจจัยกับละมีสิบเจ็ดวาระนกรรมปัจจัยกับละมีเจ็ดวาระนวิปากปัจจัยกับละมีสิบเจดวาระนอาหารปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนอินตรียปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนชานปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนมขะปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระ นัตสัมปยุตตะปัจจ <the> ัยก <vivo> ับละมีห้าวาระนวิปยุตตะปัจจัยกับละมีสมวาระโนนัตถิปัจจัยกับละมีห้าวาระโนวิขตปัจจัยกับละมีหวาระติกนัยนัอรามะนปัจจัยกับนัอาเสวะนปัจจัยและนัเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระนัอธิปติปัจจัยกับนัอาเสวะนปัจจัยและนัเหตุปัจจัยมีสี่วาระ ณอนันตรัปัจจัยกับณอาเสวนปัจจัยและณเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระณสมนันตรปัจจัยกับณอาเสวนปัจจัยและณเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระณอัญญมัญญาปัจจัยกับณอาเสวนปัจจัยและณเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระณอุปนิสัยปัจจัยกับณอาเสวนปัจจัยและณเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระ นัปุเรชาตปัจจัยกับน้อาเสวะนปัจจัยและน้เหตุปัจจัยมีสองวาระนปัจฉาชาตปัจจัยกับน้อาเสวะนปัจจัยและน้เหตุปัจจัยมีสี่วาระนกกรรมปัจจัยกับน้อาเสวะนปัจจัยและน้เหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระนวิปากปัจจัยกับน้อาเสวะนปัจจัยและน้เหตุปปัจจัยมีสี่วาระ ณอาหารปัจจัยกับณอาเสวะณปัจจัยและณเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระณอินตรียปัจจัยกับณอาเสวะณปัจจัยและณเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระณชานปัจจัยกับณอาเสวะณปัจจัยและณเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระณมัคคปัจจัยกับณอาเสวะณปัจจัยและณเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระณสัมปยุตตปัจจัยกับณอาเสวะณปัจจัยและณเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระ นาวิทยุตัดป hey. well, ั noise, จจัยกับนาอาเสวนปัจจัยและนาเหตุปัจจัยมีสองวาระโนนัติปัจจัยกับนาอาเสวนปัจจัยและนาเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระโนวิกตปัจจัยกับนาอาเสวนปัจจัยและนาเหตุุปัจจัยมีหนึ่งวาระเจตุกนไนนาทิปฏิปัจจัยกับนาอาเสวนปัจจัยนาเหตุปัจจัยและนาอารามนาปัจจัยมีหนึ่งวาระในมุงแล็บทุก ปัจัจมีปัจใจละหนึ่งวาระโนวิกตปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระละนกกรรมมทุกขะนสยเก้าสินเหตุุปัจจัยกับนกกรรมมปัจจัยมีหนึ่งวาระนอารมาปัจัจกับนักกรรมมปัจจัยมีหนึ่งวาระนอธิปติปัจจัยกับนกกรรมมปัจจัจมีเจดวาระนอนันตรปัจจัยกับนกกรรมมปัจจัยมีหนึ่งวาระ นัสมานันตระปัจจัยกับนกกรรมปัจจัยมีหนึ่งวาระนอัญยามัญญปัจจัยกับนกกรรมปัจจัยมีหนึ่งวาระนอุปนิตตียปัจจัยกับนกกรรมปัจจัยมีหนึ่งวาระนัปุเรชาตปัจจัยกับนกกรรมปัจจัยมีสามวาระนปัจฉาชาตปัจจัยกับนกกรรมปัจจัยมีเจ็ดวาระนอาเสวนปัจจัยกับนกกรรมปัจจัยมีเจดวาระ นวิปากับปัจจัยกับนกกรรมปัจจัยมีเจดวาระณอาหารปัจจัยกับนกกรรมปัจจัยมีหนึ่งวาระนอินตรียปัจจัยกับนกกรรมปัจจัยมีหนึ่งวาระนาชานะปัจจัยกับนกกรรมปัจจัยมีหนึ่งวาระนมัคคปัจจัยกับนกกรรมปัจจัยมีหนึ่งวาระนสัมปยุตตะปัจจัยกับนกกรรมปัจจัยมีหนึ่งวาระนวิปยุตตะปัจจัยกับนกกรรมปัจจัยมีสามวาระ โนนติปัจจัยกับนกกรรมมปัจจัยมีหนึ่งวาระโนวิกตปัจจัยกับนกกรมมปัจจัยมีหนึ่งวาระติกกัยณอารามมณปัจจัยกับนกกรรมมปัจัยและนัเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระในวงเล็บทุกปัจจัยมีปัจจใจละหนึ่งวาระโนวิกตปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระละนวิปากทุกกนัยเก้ นาเหตุปัจจัยกับนวิปากับปัจจัยมีสี่วาระนาอารามณปัจจัยกับนวิปากับปัจจัยมีห้าวาระนาอธิปติปัจจัยกับนวิปากับปัจจัยมีสิบเจ็ดวาระนาอนันตรปัจจัยกับนวิปากับปัจจัยมีห้าวาระนาสมนันตรปัจจัยกับนวิปากับปัจจัยมีห้าวาระนาอัญญมัญญาปัจจัยกับนวิปากับปัจจัยมีห้าวาระ นอุปนิเตยปัจจัยกับนวิปากับปัจจัยมีหวาระนัปุเรชาตปัจจัยกับนวิปากับปัจจัยมีเจดวาระนปัจฉาชาตปัจจัยกับนวิปากับปัจจัยมีสิบเจวาระนอาเสวนปัจจัยกับนวิปากับปัจจัยมีสิบเจดวาระนกกรรมมปัจจัยกับนวิปากับปัจจัยมีเจดวาระนอาหารปัจจัยกับนวิปากับปัจจัยมีหนึ่งวาระ นัอ anyway, ินธริยป um ัจจัยกับนวิปากับ <mus> ปัจจัยมีหนึ่งวาระนัชานปัจจัยกับนวิปากับปัจจัยมีหนึ่งวาระนัมัคคปัจจัยกับนวิปากับปัจจัยมีหนึ่งวาระนัสามปยุติปัจจัยกับนวิปากับปัจจัยมีหวาระนัวิปรยุติปัจจัยกับนวิปากับปัจจัยมีสวาระโนนติปัจจัยกับนวิปากับปัจจัยมีหวาระ นวิกตปัจจัยกับนวิปากับปัจจัยมี5วาระติกไนณอารามณปัจจัยกับนวิปากับปัจจัยและนัเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระณอธิปติปัจจัยกับนวิปากับปัจจัยและนัเหตุปัจจัยมี4ี่วาระณอนันตรปัจจัยกับนวิปากับปัจจัยและนัเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระ นสสา נ ันตะปัจจัยกับนวิปากับปัจจัยและนัเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระนอัญญมัญญะปัจจัยกับนวิปากับปัจจัยและนัเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระนอุปนิสตยปัจจัยกับนวิปากับปัจจัยและนัเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระนปุเรชาตปัจจัยกับนวิปากับปัจจัยและนัเหตุปัจจัยมีสองวาระ นปัจฉาชาตปัจจัยกับนวิปากัดปัจจัยและนาเหตุปัจใจมีสี่วาระณอาเสวนปัจจัยกับนวิปากัดปัจจัยและนาเหตุปัจใจมีสี่วาระนกรรมปัจจัยและนวิปากัดปัจจัยและนาเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระณอาหารปัจจัยกับนวิปากัดปัจจัยและนาเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระ นาอินตรียปัจจัยกับนวิปากับปัจจัยและ onda, นาเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระนาชานปัจจัยกับนวิปากับปัจจัยและนาเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระนามคะปัจจัยกับวินาวิปากับปัจจัยและนาเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระนาสามปยุตตาปัจจัยกับนวิปากับปัจจัยและนาเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระนาวิปยุตตาปัจจัยกับนวิปากับปัจจัยและนาเหตุปัจจัยมีสองวาระ โนนัตถิปัจจัยกับนวิปากับปัจจัยและนะเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระโนวิกตปัจจัยกับนวิปากับปัจจัยและนะเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระเจตุกไนณัอธิปติปัจจัยกับนวิปากับปัจใจน่ะเหตุตัวปัจใจและณอารามานปัจจัยมีหนึ่งวาระในวงเล็บทุกปัจจัยมีปัจใจและหนึ่งวาระ นวิกตปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระละทุกกนัยมีนะอาหารปัจจัยเป็นต้น295นเหตุตุปัจจัยกับนะอาหารปัจจัยมีหนึ่งวาระในวงเล็บทุกปัจจัยมีปัจจัยละหนึ่งวาระโนวิกตปัจจัยกับนะอาหารปัจจัยมีหนึ่งวาระในเหตุุปัจจัยกับนะอินทรียปัจจัยมีหนึ่งวาระในวงเล็บ ทุกปัจจัยมีปัจจัยละหนึ่งวาระในเหตุปัจจัยกับชานะปัจจัยมีหนึ่งวาระในมุงเร็บทุกปัจจัยมีปัจจัยละหนึ่งวาระในเหตุปัจจัยกับนมัปคปัจจัยมีหนึ่งวาระา <ement> ทุกปัจจัยมีปัจจัยละหนึ่งวาระกับนัสัมปยุตตะปัจจัยในมูงเร็บป <crying sincere S 2> ัจจัยนี้เหมือนกับนารามานปัจจัยนวิปยุตตะทุกก่สอย296 ในเหตุปัจจ <mentor> <ide> ัยกับนวิปยุตตปัจจัยมีสองวาระณอารมณปัจจัยกับนวิปยุตตปัจจัยมีหนึ่งวาระณอธิปติปัจจัยกับนวิปยุตตะปัจจัยมีสาวาระณอนันตรปัจจัยกับนวิปยุตตปัจจัยมีหนึ่งวาระณสมันตรัปัจจัยกับนวิปยุตตปัจจัยมีหนึ่งวาระณอัญญมัญญะปัจจัยกับนวิปยุตตปัจจัยมีหนึ่งวาระ นอุปนิเตยปัจจัยกับนวิปยุตต์ปัจจัยมีหนึ่งวาระนปุเรชาตปัจจัยกับนวิปยุตตัปัจจัยมีสามวาระนปัจฉาชาตปัจจัยกับนวิปยุตตัปัจจัยมีสาวาระนอาเสวนปัจจัยกับนวิปยุตตัปัจจัยมีสามวาระนกรรมมปัจจัยกับนวิปยุตตัปัจจัยมีสาวาระนวิปากปัจจัยกับนวิปยุตตัดปัจจัยมีสามวาระ นอาหารปัจจัยกับนวิปยุตตปัจจัยมีหนึ่งวาระนอินตรียปัจจัยกับนวิปยุตตปัจจัยมีหนึ่งวาระน้าชานปัจจัยกับนวิปยุตตปัจจัยมีหนึ่งวาระนมัคคปัจจัยกับนวิปยุตตปัจจัยมีหนึ่งวาระนสัมยุตตะปัจจัยกับนวิปยุตตปัจจัยมีหนึ่งวาระโนนัตถิปัจจัยกับนวิปยุตตปัจจัยมีหนึ่งวาระ นวิกตปัจจัยกับนวิปยุตตาปัจจัยมีหนึ่งวาระติกไนนาอารามณปัจจัยกับนวิปยุตตาปัจจัยและนาเหตุุปัจจัยมีหนึ่งวาระนาอธิปติปัจจัยกับนวิปยุตตาปัจจัยและนาเหตุปัจจัยมีสองวาระนาอนันตรปัจจัยกับนวิปยุตตาปัจจัยและนาเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระนาสมนันตรปัจจัยกับนวิปยุตตาปัจจัยและนาเหตุปปัจจัยมีหนึ่งวาระ นาอัญญมัญญปัจจัยกับนาวิปยุตตะปัจจัยและนาเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระนาอุปนิสติยปัจจัยกับนาวิปยุตตะปัจจัยและนาเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระนาปุเรชาตปัจจัยกับนาวิปยุตตะปัจจัยและนาเหตุตุปัจจัยมีสองวาระนาปัจชาชาตปัจจัยกับนาวิปยุตตะปัจจัยและนาเหตุตุปปัจจัยมีสองวาระ นาอาเสวะนปัจจัยกับนาวิปยุตตะปัจจัยและนาเหตุปัจจัยมีสองวาระนากรรมมปัจจัยกับนาวิปยุตตะปัจจัยและนาเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระนาวิปากปัจจัยกับนาวิปยุตตะปัจจัยและนาเหตุปัจจัยมีสองวาระนาอาหารปัจจัยกับนาวิปยุตตะปัจจัยและนาเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระ นอินตริยปัจจัยกับนวิปยุตตาปัจจัยและนเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระนาชานปัจจัยกับนวิปยุตตาปัจจัยและนเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระนมัคคปัจจัยกับนวิปยุตตาปัจจัยและนเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระนาสามปัจจัยกับนวิปยุตตาปัจจัยและนเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระโนนัตถิปัจจัยกับนวิปยุตตาปัจจัยและนเหตุปปัจจัยมีหนึ่งวาระ นวิคตปัจจัยกับนวิปยุตตาปัจจัยและนเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระจตุกไนณอธิปติปัจจัยกับนวิปยุตตปัจจัยนาเหตุปัจจัยและนาอารามานปัจจัยมีหนึ่งวาระในวงเรพบุกปัจจัยมีปัจจัยละหนึ่งวาระกับโนนัตถิปัจจัยกับโนวิคตตปัจจัยในมูลเรปัจจัยนี้เหมือนกับนาอารามานปัจจัยปัจจนิยะใน ปัจจัยวานจบ